เราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่านะที่อยากได้คนรู้ใจอยู่ใกล้ตัวหรือว่าอยากให้คนที่อยู่รอบตัวเรารู้ใจเราคนส่วนใหญ่นะอยากจะได้คนรู้ใจอยากจะได้เพื่อนที่รู้ใจแฟนที่รู้ใจเรา ถ้าเป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาก็อยากจะให้ลูกน้องรู้ใจเราหรือว่าถ้าเป็นลูกน้องก็ถ้าโชคดีได้เจ้านายที่รู้ใจเราก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เราคงจะคาดหวังได้ว่าชีวิตเราจะมีความสุขมากถ้าคนรอบตัวเรารู้ใจเรา แต่เราเคยถามตัวเราเองบ้างหรือเปล่าว่าเราคิดที่จะรู้ใจตัวเองบ้างไหมถ้าคนส่วนใหญ่นี่เรียกร้องแสวงหาคนที่รู้ใจแต่ว่าไม่ค่อยได้นึกหรือคิดถึงการที่จะรู้ใจตัวเองเท่าไหร่คนที่มองหาแต่คนรู้ใจ อาจจะลงเอยด้วยการที่ไม่พบใครเลยนะที่จะรู้ใจเราถ้าเป็นชนี้ก็เท่ากับว่าล้มเหลวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้มากเพราะว่าจะหาใครที่รู้ใจเราจริงๆเนี่ยยากในตอนที่รักกันนะก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขารู้ใจเรานะ ี่จริงอาจจะไม่ได้รู้ใจก็ได้เพียงแต่ว่าเขาอ า, อาจจะเดาใจเราถูกหรือว่าเข า, าไม่ถือสาเราหรือยอมตามเราแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็กลายเป็นโอนข้ามบางทีความขัดแย้งในระหว่างคู่ระหว่างเพื่อน ระหว่างครอบครัวหรือในที่ทํางานอาจจะเป็นเพราะว่าต่างเรียกร้องให้อีกฝ่ายมารู้ใจตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันจะง่ายกว่าหรือเปล่านะถ้าหากว่าเราหันมารู้ใจตัวเองให้มากขึ้นถ้าใครที่คิดที่จะ พยายามรู้ใจตัวเองอันนี้มีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าไปหวังให้ใครมารู้ใจเรานี่มีโอกาสผิดหวังร0อเซแต่ถ้าเราทันมาภาคเปียนพยายามเพื่อที่จะรู้ใจตัวเองนมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ อย่างที่เรามาที่นี่เนี่ยนะมาเจริญสติก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้ใจตัวเองใหการรู้ใจตัวเองนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่เป็นมีคุณวิเศษยิ่งกว่าการที่เป็นรู้ใจหรือทายใจคนอื่นได้หลายคนจากจะ ม, มีฤทริ์เมียพิญญาคือการรู้ใจของคนอื่น แต่เราแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าเกิดรู้ใจเขาจริงๆแล้วนี่เราจะมีความสุขถ้าเกิดเรารู้ใจว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบขี่หน้าเราเขาขุนเคืองตัวเราหรือเขาอิจฉาเราเขาแช่งชักหักกระดูกอยากจะให้เราเมียนเป็นไป เรารู้อย่างนี้เราคิดว่าเราจะมีความสุขหรือนะบางทียิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์นะความรู้บางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์เลยนะกลับจะเป็นโทษด้วยซ้ำแต่ว่าการรู้ใจตัวเองนี่นะมันมีแต่คุณไม่มีโทษนะถ้ารู้ใจเป็นนะก็คือ รู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนะมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นทาตของมันได้ง่ายๆหลายคนเนี่ยพอมีความคิดเกิดขึ้นนะ ก็ปล่อยให้ความคิดมันลากลู่ถูกลังชีวิตจิตเจของของเราไปมันอยากให้ด่าคนนั้นคนนี้เราก็ด่าตามที่มันสั่งพวกที่เป็นอาญากรฆาตากรฆ่าคมคืนพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ ทำตามอำนาจของกิเลสทำตามอำนาจของอารมณ์ความรู้สึกมันมีความโกรธเกิดขึ้นก็ทำตามมันทำร้ายนะมันอยากจะไปอยากจะได้ของอยากจะได้เงินเขาอยากจะได้รถเา้าก็ทำตามความอยากนั้นทันทีโดยที่ไม่ทันได้ไตรตรอง หรือว่าทักท้วงความคิดนั้นชีวิตของผู้คนมากมายนี่เรียกว่าลมสลายตกต่ำย่ำแย่เพราะไปหลงเชื่อความคิดปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใจบางครั้งไอความคิดและอารมณ์เรานั้นก็กลายเป็นเป็นกรงขังเรา เป็นโซ่ล่ามพันธนาการเราเอาไว้อย่างบางคนก็คิดจมอยู่กับอดีตนึกถึงคนรักที่ตายจากไปนึกถึงลูกนึกถึงสามีนึกถึงภรรยาที่ตายจากไปแล้วก็ไม่เคยที่จะมองไปข้างหน้าเลยใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ก็หวนคิดแต่เรื่องเก่า หรือบางทีมีความรู้สึกผิดเพราะว่าได้ทำสิ่งไม่ถูกต้องกับผู้มีพระคุณอาจจะได้ความตั้งใจอาจจะได้ความพลังเผลอแล้วก็ไม่ยอมที่จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางก็จมอยู่กับความคิดนั้นนะคนที่พูดมาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเาไม่รู้ใจตัวเองกันนะ เขาถึงปล่อยให้ความคิดและอารมณ์โดยเฉพาะที่เป็นอกุศลนี้ครอบงำใจบางคนรู้สึกผิดกับพ่อกับแม่ก็พยายามทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการที่บางทีก็แปลกเหมือนกันมีคนไข้มีคนหนึ่งกเป็นผู้ชายนะ แกเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานมากด้วยหมอก็ให้ยาแต่ให้ยาไปแกไม่ค่อยกินเลยแทบจะไม่กินยาที่หมอให้เลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองด้วยเรื่องอาหารการกินก็ไม่ดูแลหมอก็มาเห็นสภาพแกทุกครั้งก็รู้สึกไม่พอใจว่าทาไม คนไข้นี่ไม่ยอมรักษาตัวเองเลยยาก็ไม่กินนะหมอเจอคนไข้แบบนี้ก็จะขุนเคืองแล้วก็โมโหจะจะไหวยังไงเขาก็ไม่สนใจแล้วก็มาแต่ละครั้งก็อาการก็ย่ำแย่แต่ก็มีเพียบาย น, นึงรู้สึกผิดสังเกต ก็เลยไปคุยกับแกคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเมื่อสักสปีก่อนแกแม่แกป่วยด้วยเบาหวานและแกก็ไม่ค่อยแดาวใจใส่ดูแลแม่เท่าไหร่จะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาหรืออะไรก็ไม่ทราบสุดท้ายแม่ก็ตายไแกรู้สึกผิดไอ้ความรู้สึกผิดที่ ไม่ดูแลแม่ถึงแม่ตายเนี่ยก็มันก็ทำร้ายจิตใจตัวเองก็คิดแต่เรื่องนี้แหละสุดท้ายพอเป็นเบาหวานเหมือนกับแม่แกก็เลยคิดว่าวิธีที่จะไถ่โทษหรือว่าที่จะครความรู้สึกเป็นรู้สึกผิดได้ก็คือการที่ไม่ต้องรักษาตัวเอง คือคิดว่าถ้าตัวเองตายด้วโลกเบาหวานเหมือนกันก็เป็นอันว่าได้ได้ชําระนะชำระความผิดหรือได้ไถ่โทษนะี่ยในความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีแค่ปัญหาที่ฉลาดเลยนะมันมีแต่จะทําร้ายตัวเองก็คงคึกถ้าการฆ่าตัวตายแบบผ่อนทรงมันนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมัน ถูกครอบงามด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็จมอยู่กับอดีตไม่สามารถที่จะมีชีวิตชนิดที่เราว่าอยู่กับปัจจุบันหรือมองไปข้างหน้าเกิดมาทั้งทีนะชีวิตนี้มันมีค่าควรใช้เวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์สร้างคุณงามความดีมันมีวิธีที่จะ ทำดีตอบแทนแม่ได้หลายอย่างนะไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตายไปเพราะโรคภัยแพ้เจ็บชนิดเดียวกับแม่ในการรู้ใจตัวเองเนี่ยนะมันมันมีแต่คุณไม่มีโทษแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจิตของเราชอบส่งออกนอกเวลามีแรมากระทบ ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมีเสียงดังเห็นคนทํากิริยาการที่ไม่น่ารักไม่สุภาพหรือว่ า, ากวนโทสะหรือว่าลูกน้องนะทํางานผิดพลาด คนรักพูดจาไม่ดีกับตัวจิตเราก็พุ่งออกนอกทันทีเพื่อที่ไปตอบโต้ถ้าตอบโต้ได้ถ้าตอบโต้ไม่ได้ก็จะบ่นอยู่ข้างในแต่ไม่ว่าจะตอบโต้ได้หรือไม่ได้เนี่ยใจมันทุกข์แล้วใจมันขุ่นมัวขุณนเครื่องแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะ เพราะว่าคิดแต่จะหาทางตอบโต้จะพูดอย่างไรจะจัดการกับคนนี้อย่างไรจะจัดการกับเสียงที่มันดังอย่างไรสุดท้ายก็ปล่อยให้ใจเนี่ยเปิดโล่งความโกรธความทุกข์เข้ามาลุมซ้ำกระนำแบบไม่มีทางตั้งตัวเลยคือเรียกว่าไม่มีกาดเลยนะ จิงของคนสวยไม่ไ ม, ไ ม, มีกาดเลยเพราะว่ามันส่งออกนอกหมดจริ ง, รงเวลามันมีอะไรมากระทบเนี่ยอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกออกไปตอบโต้ อ, อย่างเดียวหันกลับมาดูใจบ้างว่าใจตอนนี้กำลังโดนความโกรธความขุ่นเคืองนะความเจ็บปวดครอบงำเล่นงานแค่ไหนแล้ว เวลาโกรธเนี่ยเราคิดแต่จะเล่นงานคนที่โกรธแต่ไม่เคยรู้ใจว่าใจนี่กำลังถูกเผารนนะใจกำลังจะเหมือนกับตกนรกแนละ้วถ้าหากว่าเราลองกลับมาดูใจบ้างหรือเผื่อเผื่อใจส่วนหนึ่งมาดูมารู้ทันความรู้สึกนึกคิดบ้างข้างในก็จะดีไม่ใช่ส่งจิตออกนอกไปร้อยเปเนะเผื่อมาสัก ส0 4สิบสี่สิบเอร์เซนะมาดูข้างในบ้างมาดูใจบ้างตอนนี้มันเป็นยังไงนะความทุกข์มันจะลดลงได้เยอะใหม่ๆไม่ต้องสามสิบสี่สเอร์เซนตอาแค่สิบยี่สิเปอร์เซนก็ได้เผื่อใจไว้มาดูข้างในบ้างไม่ใช่ส่งออกนอกไปเต็มร้อยหมดเนื้อหมดตัวส่งจิตออกนอกหมดเนื้อหมดตัวก็ จิตใจก็ถูกเล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะกลับมาดูใจเผื่อเผื่อใจไว้สักสิบยี่สเอร์เซมาดูข้างในบ้างนะใหม่ๆนะแค่นี้ก็ถ้าทำได้ก็ดีแล้วแต่ต่อไปทำเป็นนิสัยทำเป็นนิสัยเนี่ยมันจะสามารถจะเผื่อใจเป็นส0มสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตกลับมาดู ถ้าเราลองเผื่อใจแบบนี้บ้างเนี่ยให้ความทุกข์ที่มันครอบงําใจมันก็มีโอกาสน้อยล ง, งคนรามก็ต้องก็ยังเป็นต้องมองออกไปนอกตัวเพื่อรู้เพื่อดูว่ามีอะไรข้างนามมีความปลอดภัยหรือไม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวรวมทั้งผู้คนแต่ว่าก็อย่าปล่อยมันไปร้อเ เรือบาที่เกินร้อยลยนะอันนั้นไม่ดีกลับมาดูใจของเราบ้างบ่อยครั้งเรามักจะบน่นว่าทาไมเขาทำอย่างโน้นทาไมเ้าทำอย่างนี้นะบ่นไปก็ไม่พอใจทำไมก็พูดกับเราอย่างนี้นะทำไมเปิดเสียงดังอย่างนี้ฉันกำลังจะจะบ้าแล้วนะ หรือโมโหหรือเกินนะทำไมทำอย่างนี้กับเราบางทีก็น้อยใจนะทำไมก็ทำานี้กับเราน้อยใจแต่เราไม่ค่อยถามว่าทำไมเราต้องน้อยใจกับการกระทําของเขาด้วยเราเอาแต่บ่นว่าทำไมก็ทำอย่างนี้กับเราแต่เราไม่ค่อยถามตัวเองว่าเราทำไมเราต้องทุกไปกับการกระทําของเขาด้วยเรามักเรียกร้อง คนโน้นคนนีนนนนะ้ให้ทำดีกับเราแต่เราไม่เคยเรียกร้องหรือว่าใส่ใจที่จะดูแลจิตใจให้ปลอดพ้นจากอารมณ์ที่เศร้าหมองเรียกร้องแต่คนอื่นแต่ว่าไม่ดูแลจิตใจตัวเองอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าถ้าคนที่เขาฉลาดในการตามดูรู้ใจตัวเองเนี่ย ก็จะกลับมาที่การดูแลจิตใจตัวเองให้เป็นปกติสุขมากกว่าที่จะไปเรียกร้องให้ใครต่อใครมาทําดีกับฉันเราเรียกร้องให้คนอื่นมาทําดีกับเราแต่เรากลับไม่สนใจดูแลจิตใจของตัวเองเลยอย่างนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่านะคนอื่นนี่เขาเป็นถึงแม้จะอยู่ จะอยู่ใกล้แค่ไหนเขาก็ยังไม่ใช่เรา <c oughs> เวลาเราทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าเขาทุกข์ด้วยแต่ว่าเราเรียกร้องเขาให้มาทําดีกับเราแต่เราไม่สนใจที่จะดูแลใจตัวเองเลยอันนี้มันถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีความปกติสุขได้ ในการที่เรามาเจริญสติแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นการฝึกให้เรามารู้ทันความคิดได้ไวขึ้นไม่ใช่ไปกดข่มความคิดนะหลายคนคิดว่าต้องกดข่มความคิดต้องทำให้มันไม่คิดถึงจะมีความสงบนะในการทำแบบนี้เนี่ย ความสงบที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเพียงแค่ชั่วคราวพอมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางกายก็จะขุ่นมัวหรือเกิดโทสะได้ง่ายเพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มารู้ทันใจของตัวเองเลย เราคิดแต่จะกดข่มความคิดและอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวมันก็อาจจะมีสภาพไม่เหมือนกับไม่ต่างจากหินที่ทับหญ้าเอาไว้หินทับหญ้าเนี่ยนะย้ามก็ไม่งอกหรอกแต่พอเอาหินออกเมื่อไหร่หญ้ามันก็งอกงามใหม่บางทีมันโตเร็วกลายเป็นพงหญ้าไปเลยการจรสติ ที่ทำที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอาหินทับหญ้าหินทับหญ้านี่ความสงบถ้าทําอาหินทับหญ้านีความสงบว่าเกิดขึ้นชั่วคราวระห่างที่เรานั่งปฏิบัติไม่มีอะไรมากระทบอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในศาลาที่ต่างคนต่างทํามันก็สงบได้แต่พอออกไปข้างนอก นะบางทียังไม่พ้นอาคารเลยนะเจอเจอภาพเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ถูกใจความกลัวก็โผล่ขึ้นมาทันทีและเนื่องจากไม่ได้ฝึกใจให้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้มันก็เลยเล่นงานยังมีบางคนนะปฏิบัติ นะอยู่ในห้องแอร์อธิกรุงเทพนะก็มีคอสจัดกรรมฐานนะชาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นะมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเวลาปฏิบัติก็สงบดีนะแต่พอเลิกปฏิบตัติจะขับรถกลับบ้านปรากว่ารถเนี่ยมีรถคันอื่นมันจอดซ้อน ออกไม่ได้แกโกรธมนะด่าเลยนะพูดด่ามาเลยทั้งที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ๆเพิ่งสงบเมื่อสักครู่เองแค่รถจอดซ้อนคันนี่ก็ถึงกับดา่าว่ารุนแรงด้วยอารมณ์โทสะนี่ขนาดรถจอดซ้อนคันคันนี้นะอย่างโกรธขนาดนี้ละไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแล้วนะ นี่แสงว่าปฏิบัติผิดแล้วล่วนะเพียงแค่ตาเห็นรถนะถูกจอดซ้อนคันแค่นี้ก็คุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นในเรื่องการกดข่มมันเอาไว้นะกดคมแล้วไปบังคับจิตให้มันนิ่ง จิตมันนิ่งก็ดูเหมือนว่าเออเรียบร้อยดีนะแต่นั้นเพราะไม่มีอะไรมากระทบกระทบจิตพอมีอะไรมากระทบจิตปุ๊บนี่มันมันก็เพิ่มอย่างแรงเลยแล้วบางทีฝึกสมาธิมากๆเนี่ยความโกรธมันก็จะแรงนะเพราะว่าพอมีสมาธิดีเนี่ยจิตมันจะพุ่งแรงมากถ้าเกิดมีความโกรธขึ้นมา อันนี้ก็ต้องระวังว่าในการปฏิบัตินี่อย่าไปอย่าไปอย่าไปพยายามกดข่มความคิดให้จิตมันได้ทำงานเป็นอิสระตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือดูมันตอนที่เราเผลอไปมันก็คิดโน่นคิดนี่นะฟูงส้าน จิตนี่มันชอบเที่ยวบางทีก็เที่ยวจกนกระทั่งกายเป็นไรเห่เร่ร่อนไะเห่เลล่อนไปไปม า, มากลายเป็นกระเซาอกระเซิงเอาความทุกข์กลับมาด้วยมันคิดโน่นคิดนี้แล้วก็เอาไม่ใช่คิดปเปล่าๆเอาความทุกข์กลับมาเอาความเสียใจความขุ่นเคือง ความแค้นความเศร้ามาแล้วเราไม่รู้ทันก็เท่ากับว่าโดนความทุกข์นี้เล่นงานกระทำย่ำยีจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งมากระทบได้เนี่ยนะ มันก็ต้องฝึกจากการที่เรามาปฏิบัติแบบนี้แหละเพราะว่าปฏิบัติในสับรรยากาศแบบนี้นี่มันมีอารมณ์มากระทบน้อยนะเราก็ไม่มีกิจที่ต้องทำอะไรมากก็มีแต่การอยู่กับตัวเองยกมือสร้างจังหวะการยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินยังกล ม, มไม่ต้องใช้ความคิดนั่นถ้ามีความคิดออกมาก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ เป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่เกิดจากความเผลอความฟุ้งซ่านมันเป็นความคิดที่ไม่ได้ไม่ได้เชิญนะเมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผักสายไล่ส่งแค่รู้ทันแล้วก็หันจิต ก, กลับมาอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะคือเอากายเป็นฐาน ไม่ต้องไปทําอะไรกับความคิดนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับอารมณ์นั้นแค่แค่รู้แล้วก็หันหลังกลับมาอยู่ที่การยกมือการเดินอย่าไปสนใจว่าเมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงคิดใหม่ๆก็ต้องก็ไม่ต้องสนใจมันเลยให้มีสติรู้กายนะอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะจิตมันก็จะเชื่องขึ้นนะเหมือนกับวัวที่ชาวบ้านพาพาเดินไปไปนานะมัววัวใหม่ๆวัวหนุ่มวัวเด็กมันก็ขนองนก็ออกไปทะเลทรายไปกินข้าวชาวบ้านตามนา ริมทางถ้าหากว่าเด็กเลี้ยงควายดูแลใส่ใจมันเนี่ยเพียงแค่มันเผลอจะออกไปกินหรือกล้าออกไปนอกทางก็รู้ละเรียกมันมันก็กลับมาแต่ว่าบางครั้งหรือใหม่ๆเนี่ยเด็กเลี้ยงควายมันก็ไม่ค่อยใส่ใจกับการ ตามดูควายเหมือนกันเอาแต่ฟังเพลงจากวิทยุที่ติดมาด้วยฟังเพลงไปก็ใจลอยไปบางทีวัวมันก็หรือควายมก็เตลิดไปออกไปนอกทางมันไกลแล้วมารู้ตัวนี่ก็ต้องไปวิ่งไล่เรียกมันกลับมากลับมาเดินบนทาง หมายใจเราเป็นอย่างนั้นแหละนะใจมันไปไกลแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันก็คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วเรียกว่าพเนจรไปสุดขอบฟ้าแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติบ่อยๆไปบ่บอยๆนะจิตมันก็เริ่มเชื่องเริ่มกลับมาอยู่กับกายกลับมารูกายอย่างต่อเนื่อง ก็เมื่อควายที่พอถูกเรียกบ่อยๆถูกทักถูกทวงบ่อยๆมันก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าเส้นทางของมันคือถนนที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ออกไปเทเลทถลไลนอกทางส่วนเด็กเลี้ยงควายทาไปทาไปก็จะมีใจจดจ่อมากขึ้นไม่ใจลอยไม่มัวแต่ฟังเพลงจนลืมดูควาย ที่อยู่ข้างหน้าอันนี้พอดูมันต่อเนื่องต่อเนื่องดูจดจ่อไปเรื่อยๆควายเผลอจะออกไปนอกทางก็เด็กเลี้ยงควายก็เรียกมันทันทีมันก็กลับมาเดินในทางไอ้ควายนี่คือจิตนั่นเองนะส่วนเด็กเลี้ยงควายคือสติ ใหม่ๆ ม, มันก็ทั้งทั้งควายทั้งทั้งจิตก็ไม่เชื่องสติก็ไม่ไม่ไม่ใส่ใจนะแต่ทำไปทำไปอย่างที่เราทำเงี้ยนะจิตมันก็จะเริ่มเชื่องส่วนสติก็จะเริ่มไวนะพอสองอย่างนี่สมพงกันนะก็ทำให้การเดินไปตามทาง ของจิตมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นเด็กเล่งควายก็พาควายไปถึงทุ่งไปถึงนาได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วสำเร็จประโยชน์ของทุกฝ่ายให้เราทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเผื่อคิดไปกี่เรื่องกี่ลาวก็รู้ก็กลับมา ตอนหลังก็เอาไปเอาสติไปใช้กับการทำงานทําการอย่างอื่นบ้างตื่นนอน อ, อาบน้ำล้างหน้าถูฟันก็มีสติอยู่กับกิจเหล่านั้นเวลากินข้าวก็มีสติในกากินข้าวไอกิจกรรมเหล่านี้มันไเรียบบทเหล่านี้มันไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่ก็ทำให้เรา สามารถจะรู้ใจได้ง่ายขึ้นตอนหลังไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดมันก็สามารถจะแยกแยะได้ว่าความคิดแบบไหนที่ตั้งใจคิดความคิดแบบไหนที่ไม่ตั้งใจความคิดไหนที่ไม่ตั้งใจคิดเช่นกํลาลังคิดเรื่องงานเรื่องการแล้วมันเผลอไปคิดเรื่องอื่ น, นก็รู้ทันดึงจิต ก, กลับมาอยู่กับการคิดเรื่องงานเรื่องการอย่าง มีสมาธิเกิดความต่อเนื่องการคิดมันก็จะมีทิศมีทางนะการปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิเสธความคิดนะแต่ว่าให้เพียงแต่รู้ทันความคิดที่ฟุ้งซ่านและอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตั้งใจคิดก็สามารถจะคิดได้เวลาคุยก็คุยอย่างมีสติได้ เวลาคุยแล้วก็ใจเราก็จดจ่ออยู่กับเรื่องที่กำลังพูดคุยกันเขาพูดเราฟังเราก็ฟังอย่างตั้งใจมีสติเวลาเผลอไปคิดเรื่องรูปเผลอไปคิดเรื่องงานเผลอไปคิดเรื่องหนี้สินรู้ทันกลับมาอยู่กับการฟังเรื่องที่เขากำลังพูดกับเรานะ อันนี้ก็เรียกว่าการฟังอย่างมีสติส่วนเวลาพูดก็พูดอย่างมีสตนะิพูดในเรื่องที่ควรพูดบางทีพูดแล้วเพลินนะพูดแล้วมันเขาก็รู้ทันว่านี่กำลังจะกำลังจะฟุ้งแล้วนะบางทีคนพูดนี่แหละฟุง้งเขาก็รู้ทันว่ากำลังฟุ้งแล้วก็คอ่อยค่อยพาจิตกลับมาอยู่กับเรื่องกับราวที่พูดแล้วก็พูดด้วยความรู้สึก รู้ตัวนะถ้าพูดด้วยความฟุ้งนี่มันเริ่มจะไม่มีสติแล้วนะกำลังจะปล่อยให้ความคิดนี่มันพาเราไปมีเยอะนะคุยพูดไปพูดมาฟุง้งจนกระทั่งไม่ยอมหยุดนะอ่านี่ก็ถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะพูดโดยรู้ว่าควรจะพูดเท่าไหร่แล้วก็พูดในเรื่อง อันนี้มันสติเอามาใช้กับการการทำงานที่ใช้ความคิดก็ได้แต่ใหม่ๆก็แบบเราก็ไม่เริ่มต้นเราก็ไม่ฝึกด้วยการทํากิจเหล่านั้นเราจะฝึกสติด้วยการทําการใช้เอเรบทที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเช่นยกมือไปมาเดินจงกรมหรือว่าเอาไปใช้กับการเดินสร้างจังหวะอ่ะการ เดินจงกรมหรือาการอาบน้ำถูฝันล้างจานก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต่อไปก็ฝึกสติได้นะกับเวลามีอะไรมากระทบเช่นยุงมากวนยุงมาบินตอมเนี่ยขณะที่สายตาเราไปจดจ้องอยู่ที่ยุงที่มันบินว่อน เราเห็นใจตัวเราเองไหมเห็นใจที่มันเกิดความตื่นตัวหรือตื่นกลัวใจที่เกิดไม่พอไม่ชอบขึ้นมาใจที่ข ย, กยนะกขยแงยุงนะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะจะไล่มันจะปัดมันแต่ว่าไม่ได้เห็นใจที่มันกําลังเป็นลบนะกับยุงนะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเอาใจสักาบ 30-40% ซกลับมาดูอารวมความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นว่ากำลังมีความไม่พอใจอยุ่งบางทีมันมีโทสะเกิดขึ้นมันมีความอยากจะทําร้ายยุงไอ้ตองเห็นตรงนี้นะถือว่าดีนะถึงแม้ว่าจิตมันจะมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นมันนะ าการปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถจะปฏิบัติได้เวลามีอะไรมากระทบเวลามียุงมากวนมีเสียงม า, ารบกวนที่จริงถ้าเรามีสติมันไม่รบกวนนะเสียงไม่รบกวนยุงก็ไม่รบกวนมันก็ทำหน้าที่ของมันแต่ใจหลังหาที่วางไม่เป็นมันก็เลยถูกรบกวนและเวลายุงยุงมันกัดเนี่ย ถ้าวางใจไม่เป็นนะไม่มีสตินะยุง ม, มันไม่ใช่แค่กัดแขนเรานะมันกัดใจเราด้วยนะหลายคนเนี่ยปล่อยให้ยุงกัดทั้งแขนยุงกัดทั้งใจนะก็คือว่าใจนี่เป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่แค่กายนี่เจ็บหรือขันนะใจนี่ก็เป็นทุกข์เกิดโทสะอันนี้เรียกว่า อสอบตกกันนะได้กลับมาดูใจนะว่ามันรู้สึกอย่างไรนะถ้ามันถ้ามันกัดก็ให้มันกัดแต่แขนกัดแต่ตัวนะอย่าให้มันกัดใจด้วยนะคนไม่ฉลาดคนที่ไม่มีสติก็จะปล่อยให้มันกัดใจแล้วนะกัดใจนี่มันทุกข์กว่ากัดตัวกัดแขนนะมดก็เหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันนะ และทั่งความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นนมันก็ป่วยใจด้วยมีความทุกข์บนตีโพยตีพายโวยวายวิตกกังวลเครียดนะอันนี้เรียกว่าป่วยใจนะซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อกายมันป่วยจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งโรคที่น่ากลัวที่สุดคือมะเร็งมันเล่นงานได้แต่เฉพาะกายของเรานะ มันเล่นงานได้แต่เฉพาะกับอวัยวะของเราแต่มันเล่นงานใจเราไม่ได้ไอท้ที่ที่เล่นงานใจก็คือไอค้ความความหลงนั่นแหละไปเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจคนที่เป็นบรรัเร็งที่เขาฉลาดนี่เขาก็ปล่อยให้เขาก็เพียง ก็ยอมให้มันเล็งมันทำร้ายกายแต่ว่าใจทำร้ายไม่ได้เขาก็เป็นปกติสุขเย็นสบายนะมันมีนะธรรมาก็เจอหลายคนแล้วคนที่ยิ้มได้หัวเราะได้แม้ว่ากายจะเป็นมันเร็งเจ็บหนักอันนี้เพราะเขารู้จักรักษาใจและที่เราเขารักษาใจแต่เพราะเขาฉลาดในการรู้ใจตัวเองนะคนไม่หัวแต่ส่งจิตออกนอกจนหลงจนลืมตัว